ทานน่ะประกันอะไรประกันสังขารไม่ให้ตกตำ่ำศีลน่ะประกันบาปกรรมคือความชั่วทั้งหลายภาวนาป้องกันจิตที่จะหลงขึ้นนี่อานิสงส์ย่อๆถ้าเรารู้จักคิด เราจะเห็นว่ากายนั้นสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นลักษณะอริยะคือที่ประเสริฐได้ศีลก็สามารถที่จะป้องกันบาปกรรมทั้งหลายได้ภาวนาก็ป้องกันจิตของเรานี่มาให้หลงได้ ให้รู้จักคิดว่าประโยชน์ของเรานั่นได้ขนาดไหนที่เรามาฝึกหัดอยู่ในทานในศีลภาวนาอามสินาทีเราก็กำหนดกันลงไปบรรเทาทุกข์ได้30สินาทีก็เก่งแล้วเป็นของเรา ยุงมันก็ไปแล้วพอเราถอนสมาธิมันก็ไปแล้วมันมาให้เรามีอะไรขันติบา ร, รมีกับเราขันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีวิริยะนี่ก็แปลว่าความเพียรแล้วก็ได้ศีลบา ร, รมีอีกคือไม่ไปทุบไปตีมันให้มันตาย ปัญญาบรารมีทำให้เกิดเป็นการรู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆในเวทนาต่างๆเยอะแยะหมดให้ไปคิดกันเถอะไม่มีเวลามาอธิบายตรงนี้เรานั่งอยู่กับดินอ่ะหลังจากออกจากทัางขายไปแล้วทำไมถึงขึ้นสวรรค์ไปนั่งอยู่บนพรมบนบนฟูกบนที่ดีๆ มีแอร์มีอะไรนอนทะเลาะบอกแว้งตายแล้วตกกันลุกเพราะสร้างตะเวนแต่กรรมด่าการทะเลาะการเสียดสีการทำร้ายการอิจฉาริษยาการแย่งกันกินแย่งกันนอนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าปรนเตยสังขาร เห็นสังขานของตนเองดีเลิศใครจะมาแตะต้องไม่ได้ใครมาทําร้ายไม่ได้ถ้าใครเข้ามาแตะต้องทําร้ายต้องเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นแม้แต่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวเขายังทะเลบบาะบอกแวงกันในเรื่องกินเรื่องนอนในเรื่องปัจจัยสี่ตายแล้วตกกระลุกเกิดเป็นสัตว์ ยิ่งสมัยนี้มากมายเหลือเกินสำหรับคนที่จะทำชีวิตตั้งตนเองให้ตกเป็นสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าอบายภูมิอะเยอะแยะมากมายไม่ระวังอารมณ์ไม่เฉพาะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านแม้กระทั่งในวัด ในแม่ชีญาติโยมอยู่ในวัดไม่ระวังอารมณ์ก็มีสิทธิตกกลกผ้าเหลืองผ้าขาวช่วยไม่ได้ผ้าเหลืองผ้าขาวเป็นเรื่องของเครื่องหมายเฉยๆว่าเรามาแสดงตนเป็นนักบวชแต่ถ้ายังเกลิกะอารมณ์กันอยู่แล้วมีสิทธิตกกลกได้เหมือนกัน ถึงบอกว่านั่งดีๆเดินดีๆยืนดีๆอยู่ในกิริยาของผู้มีราศีใครเป็นผู้มีราศีพระพุทธองค์อะ่ะท่านเป็นผู้มีราศีท่านเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนั่งไปนั่งมาท่านอยู่ตามพื้นดินน่ะท่านก็ได้ตัดทะลขึ้นคือได้รู้จิตรู้อารมณ์ขึ้นรู้เกิดรู้ตายขึ้น รู้ว่าจิตนี่ทำยังไงจึงเกิดจึงตายทำยังไงจึงหมดเกิดหมดตายก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านขาอุสา์เดินนะสอนไปถึงสี่สิบห้าพรรษาสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั่ น, น, น, น, น, น, น, นเผื่อว่าใครจะ เข้าใจเนื้อความของสัจธรรมก็เดินสอนถึง 45, สี่สิบห้าพรรษาแล้วท่านก็นไปไหลวงอาเคยนั่งสมาธิถามท่านทำยังไงถึงไปได้ท่านก็บอกว่าทำไอ้ที่เน่าแล้วมันไม่กลับอะไรแล้วมันเรื่องเน่าอะ อ๋อก็กายเราอสิทําไอ้เน่าเน่าเนี่ยให้มันเข้าใจแล้วก็ไม่มาหรอกคืออย่าไปยึดไปถือกายที่เน่าเน่าเปื่อยตอนนี้ธาตุสีขันห้ามันยังทำงานมันก็ยังเรียงรายกันดีพอจิตของเราออกไปแล้วล้วเดี๋ยวมันก็เน่าก็เปื่อยไปคนละทิศคนละทางแล้ว เนี่ยทำไอ้ตัวนี้ให้เขาใจสิทำไอท้ที่เน่าเน่าให้เข้าใจบางทีเราไม่ได้ปรับปร่งไอ้เรื่องเนา่าเน่าหรือเรื่องกายนะไปโปร่งเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องราบเรื่องยศเรื่องมังมีเศรษฐีอะไรก็ไปโน่นน่ะนีะ่คล้ายๆออกพรรษาพระเกจะเป็นเศรษฐีก็เยอะเลยละ่ะอเกศจะไปแล้ว ยาโจรก็เหมือนการออกัาษาเขียมไปอีกเหมือนกันกจะไปเป็นเศรษฐีจะไปหาความว่างมีอีกแล้วชงไม่ชีเรียมตัวกันแล้วก็ไปทำเรื่องเน่าให้มันเป็นเน่าต่อไปอีกไม่ใช่มาทำเรื่องเน่าให้มันหมดเน่าหรอกอะไรที่มันทำให้เราเน่าอะ่ะก็คืออารมณ์เน่าแล้วเน่าอีกเน่าแล้วเน่าอีก ไม่เลิกเน่าสักทีมันจะไปเลิกเน่าได้ยังไงก็เมื่อเราจะไปยึดถือกายถืออารมณ์กันมันก็เลยไม่เกิดไม่เกิดเป็นลักษณะเลิกเน่าเอาไปคิดเถอะรับรองนะรับรองเลยเรื่องนี้เคยถามพุทธองค์ว่า ในนิมิตนะั่ะนิพพานอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าอยู่อยู่ที่จิตไม่เป็นนี่อารมณ์ทำไมเวลาเราอยู่อ่าพิภพนั้นพิภพนี้หรือว่ากาเล็กซีนั่นกาเล็กซี่เนี่ยทไมาได้ตอบอย่างนั้นแล้วท่านบอกว่าอยู่ที่จิตไม่เป็นนี่อารมณ์นั่นคือนิพพานจะเป็นสุขเป็นทุกข์แค่ไหนขอขอให้ทำจิตให้รู้จักอารมณ์แล้วเกิน อย่าเป็นนี่อารมณ์ก็ใช่ได้แต่นั่นเป็นเรื่องของพระหรีเจ้าที่ก้าเข้าไปถึงคำว่าจะสิ้นสุดของความทุกข์แต่ยังเรานี่ยเขาเรียกว่าเปรียบเทียบเหมือนยังอยู่วังหน้าวังหน้าคือหมายความว่าจับตัวกระทาหยุดยั้งตัวกระทาคือกายของตน ที่เรียกว่ากายกรรมวัจจิกกรรมทาไมวางหน้าจึงจะหยุดได้ทำไมวังหน้าจึงจะเลิกลบปะเขาได้ก็หยุดกายหยุดวาจานี่เขาเรียกว่าหยุดวังหน้าทําวางหน้าให้เกิดเป็นเคยชินเกิดเป็นความเข้าใจต่อไปทําวางหลัง วางหลังนี้หมายอะไรหมายถึงอารมณ์จับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากตัววิญญาณอย่างที่บอตะ ก, ก, กีเนี่ยเราถูกอารมณ์ปรุงแต่งด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรส ด, ด้วยสัมผัสและทำอารมณ์คือพอใจไม่พอใจทุกอย่างจะปรุงแต่งมาเป็นตัวพอใจและไม่พอใจและเกิดเป็นลักษณะเฉยเฉย จะว่าพอใจก็ไม่เชิงไม่พอใจก็ไม่เชิงแต่เฉยๆแบบผู้ไม่รู้ถ้าเราสามารถขยับขยับจิตของเรามามาจับวางหลังได้มัชจิมาปฏิปทาของกระแสจิตจะเป็นธรรมะขึ้นเราจะสังเกตเห็นถึงลักษณะโล ก, กุตละสอนถึงเรื่องตัวกัดทา อารมณ์กรรมพระบรรยายานะบรรยายอารมณ์กรรมและตัวกระทามาเกือบจะเก้าสิบวันสำหรับผู้ที่มาใหม่แล้วก็ผู้ที่อยู่เก่าๆคือพระเก่าๆไม่ใช่เก่าๆโยมเก่าๆฟังเรื่องอารมณ์และตัวกระทามา ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อย่าง น, น้อยๆหลวงอาได้มานั่งสอนอารมณ์และตัวกระทำอยู่ที่นี่ยี่สิบกว่าปีมันไม่ใช่ก้าวสิบวันเลยไม่รู้ว่านานาจิตที่รับธรรมข้อนี้ทราบซึ้งถึงไหนในลักษณะไม่โยกย้ายในคำสอน มาทีไรต้องได้ยินอารมณ์และตัวกระทำมาทีไรต้องได้ยินอารมณ์และตัวกระทำฟังวันไหนปีไหนชาติไหนหรือตั้งแต่เข้ามาสัมผัสก็เป็นอารมณ์และตัวกระทำเพราะต้องการอยากให้เน้นถึงลักษณะวังหน้าและวังหลังคืออยากให้รู้ว่าตัวกระทำ ทำให้เกิดเป็นลักษณะตัวสะสมทำแล้วทำอีกเขาเรียกว่าตัวสะสมเหมือนเราเก็บก้อนดินขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้ววางไว้เก็บเข้ามาหนึ่งก้อนแล้ววางไว้นั่นคือตัวกระทําส่วนอารมณ์กรรมนั้นส่งเสริมให้เกิดเป็นตัวกระทําต่อไปอีกคือทําแล้วทําอีกทําอย่างเนี้ย ทำไมเขาจึงส่งเสริมให้เกิดเป็นตัวกระทาเพราะว่าจิตไม่รู้จักอารมณ์กรรมนั่นเองจึงได้เกิดเป็นตัวกระทาที่ต่อเนื่องเป็นเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องการใช้หนี้เวรหนี้กรรมกันไปตราบใดที่กระแสจิตยังไม่รู้จักอารมณ์กรรมถ้าเมื่อใดเรารู้จักตัวกระทา เราก็สามารถจะรู้จักผลของการจําแนกในชีวิตที่เกิดขึ้นเขาเลียกว่าเบ้าของสังขารกรรมเมื่อเรารู้จักเบ้าสังขารกรรมแล้วต่อไปเราก็รู้จักลักษณะไม่ส่งเสริมให้มีการสร้างเบ้าของสังขารกรรมก็คืออารมณ์เนี่ยวางหน้าวางหลัง ผู้ปฏิบัติได้จับจุดให้ได้ถ้ายังจับสองคำนี้ไม่ได้ให้ไปเอาหนังสือธรรมะล้านสอธรรมพักดีมาอ่านไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดยังกรรมได้เลยเพราะฉะนั้นโลกุตระเขาต้งบอกว่าย่อๆอพอได้ใจความ สำหรับกระแสจิตปัจจุบันนี้เราไม่ใช่กระแสจิตเบื้องต้นคือไม่ใช่กระแสจิตอดีตที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่สมัยนั้นจิตอริยะสัมผัสปุ๊บนี่สามารถรู้ทันทีเหมือนเป็นลักษณะอัตโนมัติแต่มาจิตชั้นกลางคือจิตยุคของเรา ต้องเล่าแล้วเล่าอีกบอกแล้วบอกอีกบอกกันไปเรื่อยๆบางทีเรารู้เราเข้าใจบางครั้งก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อลักษณะธรรมะที่สอนให้รู้จักอารมณ์กรรมหรือตัวกระทํำกลับไปส่งเสริมตัวกระทำและอารมณ์กรรมกันต่อไป เหมือนอย่างที่ท่นบอกว่าจิตของคนยุคนี้เหมือนกับน้ําที่ไหลไปสู่ที่ลุ่มดินลุ่มตรงไหนจะไหลไปตรงนั้นคือมาจากตัวกระทําก็ไปเกิดเป็นตัวกระทํามาจากอารมณ์กรรมก็ไปสร้างอารมณ์กรรม เพราะฉะนั้นโลกุตราที่เขามาชี้แจงหรือว่าสร้างความเข้าใจปัจจุบันนี้ก็เพื่อที่จะซ้อนซ้อนจิตของบุคคลที่รู้จักตัวกระทำและอารมณ์กรรมไม่ใช่ว่ามาเอาจิตทุกจิตจิตคนไหนรู้จักตัวกระทําและอารมณ์กรรมสองข้อเนี่ยและก็เล่งทํา ตั้งใจทาคนนั้นก็สามารถจะขึ้นจับมหาสมุทรซึ่งเขาเรียกว่าเหล็กลอยน้ำคือเหล็กกล้าลอยน้ำแล้วคือจิตลอยน้ำกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยคำสอนจะเกิดขึ้นในกระแสจิตของคนนั้น กาขาวจะบินกลับสู่สถาพรกระแสะจิตอรนยะมายังไงกระแสะจิตอิยะไปที่นั้นถึงเขาเรียกว่ากาขาวจะบินกลับสู่สถาพรแต่ถ้ากาดำก็โฉบไปโฉบมาจมสู่มหาสมุทรสําหรับบุคคลที่ไม่รู้จักอารมณ์และตัวการทรำวันนี้เราฟังธรรมนะ วันนี้เรามีสิทธิ์ได้ฟังมีสิทธิ์ได้กำหนดมีสิทธิ์ที่จะลดกันละแต่วันข้างหน้ากระแสจิตดวงนี้ออกจากท่าสี่กันห้าวิญญาณไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะฟังไม่มีสิทธิ์จะลดละมีสิทธิ์อย่างเดียวต้องเป็นไปตามลักษณะของบาปหรือกรรมหรือธรรมที่สร้างขึ้นเท่านั้นไม่มีหน้าที่จะมาแก้ตัว ไม่มีหน้าที่ผลัดแต่ถ้าปัจจุบันถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้เรามีหน้าที่แก้ตัวได้ผลัดได้ที่เขาเรียกว่าปรับปรุงและแก้ไขเขาให้เวลาเราปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องของอารมณ์กรรมและตัวกระทาโดยไม่ทักทวงจะแก้หรือไม่แก่จะทำตามหรือไม่ทำตามไม่ทักทวง แต่ถ้าถสี่กันห้าวิญญาณพร้อมทั้งจิตที่อยู่ขณะนี้ยจะเดินไปตามลักษณะของเสรีภาพคือเรามีสิทธิที่จะทำคือฟังแล้วจะทำตามธรรมหรือไม่ทำตามธรรมเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าจิต ต, ตรงนี้ออกไปแล้วนะคำนี้จำไมาให้มั่นเลยกามุนาวัตติโลโกโ สัตว์โลกหรือจิตโดูนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทาขึ้นไม่มีใครช่วยใครไม่มีใครยกใครไม่มีการอุทธรรลองขอใดๆสำหรับกรรมที่สร้างขึ้นทั้งความดีและความชั่วแต่ขณะนี้เราแก้ได้เรายังมีสิทธิ์แก้แก้ไขชีวิต หนุ่มสาวเท่าแก่มีสิทธ์แก้ได้แต่ถ้าจิตไปแล้วนะหมดทางแก้นะพระเคยบอกไว้หลายครั้งพระมีหน้าที่อะไรพระพุทธองค์มีหน้าที่อะไรเคยบอกไว้แล้วว่าพระพุทธองค์มีหน้าที่ให้สติหรือเตือนสติถ้าพระให้สติและเตือนสติยังไม่มีสติ พระก็ช่วยไม่ได้ไม่ใช่พระมีหน้าที่ไว้หว้เฉยๆกราบเฉยๆพระมีหน้าที่ให้สติให้ปัญญาให้แนวทางคือให้ความรู้ให้เหตุผลแล้วก็ให้แนวทางเราจึงเรียกว่าโอรัตนะ นี่แหละผู้ปฏิบตัติเอาไปคิดกันให้มากเลยเรื่องวังหน้าวางหลังเรื่องอารมณ์และตัวกระทำสองคาเนี่ยวันหนึ่งจะเกิด ก, กองเธอมีแต่อารมณ์กรรมและตัวกระทําเต็มไปหมดใครใช้ให้เธอทําใครบังคับให้เธอทําเราจะก้มหน้านิ่งไม่มีใครบังคับไม่มีใครใช้แต่เราเต็มใจทําขึ้นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดเต็มใจทาไม่มีใครบังคับเราต้องรับรับไปตามอารมณ์กรรมและตัวกระทาของตนเองวันหนึ่งจะกิดกองโลกุตละเขาบอกไปแล้วว่าสามารถจะพิสูตรตัวกระทาและอารมณ์กรรมได้ทุกฝีก้าวหรือทุกอนูทุกลมหายใจเขาออกจึงเรียกว่าอารมณ์ไม่ตาย ตัวกระทำไม่ตายสัจจะทําไม่ตายโลกุตระเคยบอกว่าสองสิ่งนี้เราอาศัยคือหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราอาศัย 2. โรคโกรธหลงเราอาศัยไม่ใช่มีจิตเป็นของใครจิตอาศัยเพื่อจะดูว่าเย่ยงอย่างของธรรมไปทางไหนเย่ยงอย่างของโรคไปทางไหนเท่านั้นเอง นะผู้ปฏิบัติธรรมนะทั้งพระเนไม่ จ, จีดญาติจบจึงบอกว่ากำหนดอะไรก็อย่าให้หลงกำหนดตัวกรรมให้ยำเกรงถ้าไม่ยำเกรงอารมณ์ไม่กลัวตัวกรรทาเขาเรียกว่าอะไรท้านะท่าเวนทากลับเท่ากับว่าเรานะั้นไม่เชื่อเวนเชื่อกรรับ แต่ถ้าคนที่เขามีดีมีศีลธรรมเนี่ยเขาไม่ทาเขาจะอ่อนน้อมต่อสัจธรรมพระพุทธองค์เขาจะเดินหนีห่างจากอารมณ์และตัวกระทำเพราะเขาถือว่ากรรมมีจริงทําหลุดพ้นกรรมมีจริงนะขอให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจเนี่ยก็เตือนกันอย่างนี้ หงอาเองจะมานั่งเตือนอย่างนี้ได้เท่าไหร่และผู้ปฏิบัติเองจะมานั่งปรับปรุงอย่างนี้ได้เท่าไหร่มันไม่เกิน80ปีร้อยปีหรอกโอกาสที่เราจะปรับปรุงแก้ไขก็จะจบลงการให้ข้อคิดให้สติปัญญาของนลงอาก็จบลงเหมือนกันแต่ในฐานะที่เรามาอยู่ในลักษณะ พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะอย่างที่เขียนไว้ในป้ายเราอยู่ในลักษณะพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอยากจะให้มีความเข้าใจในลักษณะคำสอนคำเดียวกันคืออารมณ์และตัวกระทาไม่อยากให้แตกแยกเรื่องราวของอารมณ์และตัวกระทาให้ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจ ถึงการชี้แจงของอารมณ์กรรมและตัวกระทำนาจะเขียนไว้ในป้ายน่ะข้างโคต้นโพล ร, รวมหมู่ให้เป็นสงคือรวมนาน า, นาจิตให้อยู่แนวทางคือให้รู้จักแนวทางสงนี่เขาเรียกว่าทางรวมหมู่ให้เป็นสงรวมองค์ให้เป็นสัจจ คือรวมจิตเนี่ยให้รู้จักอารมณ์และตัวกระทัามรวมเนคขมมะคือรวมจิตเนี่ยให้เป็นธรรมมันเท่าทุกดับทุกที่เขาเรียกว่าเนคขมมะแล้วก็ข้อสุดท้ายอ่ะรวมศาสนาคือคำสอนให้เป็นองค์เดียวกัน เราจะได้ไม่แตกแยกไม่ใช่ว่าพระเจ้าองค์นั้นกล่าวอย่างนี้พระเจ้าท่านกล่าวอย่างนี้อะไรอย่างนั้นไปถกไปเถียงถ้าต่อไปเราจะเราจะเป็นผู้รับเขาเรียกว่ารับการถ่ายทอดจากองค์ไปสู่องค์จากคนไปสู่คน คือโยมรู้โยมก็บอกกันไปพระรู้พระก็บอกกันไปก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าถ่ายไปแล้วคนนั้นเข้าใจอารมณ์ด้วยตัวกระทํำไหมเท่านั้นถ้าเข้าใจอารมณ์และตัวกระทำปุ๊บลอยตัวนะจิตคนนั้นจะลอยตัวคือลอยตัวจากเรื่องราวของ ของจิตที่จมอยู่ในธาตุสีกันธาวิญญาณถ้าเราจะสั่สาร้างอะไรเขาต้องสั่สาร้างตัวเราให้เป็นเหตุผลก่อนเมื่อเราสั่สาร้างตัวเราเป็นเหตุเป็นผลดีแล้วพชใยดีแล้วเราก็ไป ส, าสาั่สร้างผูอื่นตัวเองยังก็สั่สาร้างไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วจะไปให้เหตุให้ผลใครก็ได้เป็นอย่างนั้นหลงพ่อท่าน คือคือมีเสียงธรรมปรากฏว่าต่อไปเนะี่ยวงวานสาพนายาของตถาคตจะมาขึ้นตูเพราะว่าบุคคลที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยปริยัติอริยรรสัตว์สี่ทั้งนั้นคือบรรทุกลูกบรรทุกนามเนะ่ยมีสมุทรไทยมีทุกมีเหตุเป็นที่มาทาั้งนั้นคือมีเวรมีกรรมมีธรรมกันมาทั้งนั้นแต่ว่าใครจะมีกรรมมากกรรมน้อ หรือทำมากกรรมน้อยแล้วก็แล้วแต่แต่ทุกคนนี่เป็นปริยัตรอริยสัจสีทั้งนัง้นพอคนไหนเขามีจิตที่เข้าถึงอริยสัจสีที่มันสามารถจะเป็นแก่นสานได้เขาก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าไม่มีอริยสัจสีในใจที่เป็นแก่นสานก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องพระพุทธองค์จึงทรงเปรียบเทียบจิตคนเราไว้ถึง4อย่าง啊 อย่างที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ย่ายน้ำกลางน้ํกากําลังจะพ้นน้าแล้วก็พ้นน้าแต่ที่จริงโตกได้สองอสองดอกกันนั่นเองคือกําลังจะพ้นกับทิ่พ้นแต่ไอ้ที่กลางน้ําและใต้น้ําไม่ต้องพูดถึงเนี่ยอยา่างก็คนจะมานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติเนี่ยน้อยมากแต่พออันนังมาต้านทั้งจอที่โอ้โหมาคลึกเลย เพาตายน้ําพระกลางน้ำนะรับเพราะนั้นเราต้อง ส, สานตัวของเราให้เป็นเหตุเป็นผลหรือให้มีความเข้าใจในอัตตาที่เป็นสัจจะคือความจริงแล้วต่อไปแล้วข้อๆเอาเหตุผลที่เราเข้าใจนี่แหละชี้เขาต่อไปนำเขาต่อไป คำพูดก็จะมีคำถามคำถามก็จะมีคำตอบคำพูดก็มีคำถามคือคนไม่รู้เรื่องคำถามที่มีคำตอบก็กไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันอยมาคิดว่าเป็นเรื่องทรมานในการที่มาปฏิบัติธรรมหรือมาฟังธรรมหรือจะมาะศึกษาหาเหตุผลพื่อทันเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องทรมานแต่เป็นเรื่องการบำบัดช่วยทุกตนเองช่วยทุกผู้อื่น นน้อยเนี่ยก็ช่วยบรรเทาทุกขปในลนักษณะของกับได้เขาด่าเราเราเฉยเขาติดเตียนเราเฉยที่เฉยเพราะอะไรเพราะอ่าเขาอาจจะพูดแบบเสียดสีอย่างน้นอย่างนี้หรือด่าเสียดสีเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือโกรธเราอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะต้องรับความจริงว่าสิ่งที่เขาเสียดสีสิ่งที่เขาว่านะเป็นความจริงหรือเปล่า ถ้าเราไม่ก่อเรื่องเขาเสียดสี <acaksın> เขาคงไม่เสียดสีแล้วเพราะจะต้องมีเรื่องให้เขาเสียดสีแน่นอนหรือมีเรื่องเขาด่าแน่นอนเพระเาะฉะนั้นเราต้องยอมรับเออที่เขาเสียดสีเราเนื่อเรื่องจริงเพราะเราทําขึ้นที่เขาด่าเรานั้นก็เรื่องจริงเพราะเราไปด่าเขาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้คือให้รู้จักคําถามคําตอบที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ทุกวันเนี้เราน่ยถูกเขาถามเปลี่ยนมงเปลี่ยนนะรู้จักธรรมะไหมเราคนนิ่งเฉยรู้จักธรรมะไหมเราคนนิ่งเฉยรู้จักโลกไหมเราคนนิ่งเฉยเพราะเราตอบไม่ได้ว่าเราเป็นคนรู้จักธรรมะหรือเป็นคนรู้จักโลกตอนนี้ถ้าเราตอบได้มีธรรมะไหมมีที่แสงสเต็มเลยในจิตคือมีเหตุผลมีความรู้มีนาทาง โรคจะเกิดไหมในก็ตอบได้ตอบได้คือตอบแบบประเทศไม่ใช่ตอบแบบภาษาที่พูดแบบว่าเฉยรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยแต่ไม่ใช่สมุดเฉดทุกคนต้องาใจนะเราไม่ใช่สมุดเฉดไม่ใช่มาปฏิบัติเป็นอรหันต์แต่ปฏิบัติเพื่อบันเทาทุกมันเทาทุกตนเองมันเทาทุกผู้อื่นเพื่อให้รู้จักหน้าที่ของสจัดในหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกา เรามีหน้าที่กระทั้งนั้น่ะหน้าที่ความเป็นพ่อแม่หน้าที่ความเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาหน้าที่การเรียนการศึกษาหน้าที่การงานหน้าที่ความเป็นนักบวชมีทั้งนั้นน่ะทุกคนมีหน้าที่ตายมาลายหมดหน้าที่กี่เข้ามาลายบมดหน้าที่กันแต่ว่าให้สำลึกในหน้าที่ว่าเรามีหน้าที่ยังไงค่อยดูความจริงในหน้าที่ต่ ผู้ปฏิบัติหรือญาติโยมคขเข้าใจนะเนี่ยเรื่องราวของโลกุตละเนี่ยยังมีอีกมากถ้าให้หลวงอานั่งบรรยายเนี่ยซับรองว่าสิาบพักวันสิบพักคือหนึ่งเดือนก็นั่งพูดได้นะคือนั่งบรรยายได้ไม่จบหนังเรื่องนี้ไม่จบลงง่ายๆเลยขอให้พระเนยไม่ชีมม้ญาติโยมบาปศพปติกายนะและมีความสุขความเจริญมีมรรคมีผลที่ดีนะ ขอให้เจริญในทางพระพุทธศาสนาได้มรสีผลสีพระนิพพานอย่างอย่างของพระพุทธองค์ต่อไป